จะพูดธรรมะให้ฟังเล็กน้อยรถมาแต่ละคันนะคันคนแต่ละคนละคนที่มาในรถไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ใครมาก็ตานะ่ะทุกๆุกตาเนี่ยทุกทุกตานี่ยนะแล้วจ้องเข้ามาหน้าห ล, หลงตาบัวนี่ <c oughs> แล้วทุกหูอีกด้วยจ้องเข้ามาฟังฟังจะออกลมจะออกจากปากนี่นน ใจทุกดวงจ้องเข้ามาที่นี่ท่านจะพูดอะไรท่านจะว่าอะไรอะไรฟอยฟังคอสังเกตดังนั้นเราจึงจําเป็นได้พูดทุกวันทุกวันถึงจะเหน็ดจะเหนื่อยเมือม่อยลา้าก็ตามเราคิดเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนใจที่มีคุณค่ามากเมื่อได้อบรมด้วยดีแล้วแต่ท่าน ไม่ได้อบรมในทางที่ดีกลับกงข้ามอบรมในทางที่เสียแล้วไม่มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจท่านขอให้พี่น้องทั้งหลายจงจำเอาไว้ว่าใจนี้เป็นตัวยืนยันทั้งทางถูกและทางผิดทางเลวที่สุดและทางเลิศที่สุดอยู่กับที่ใจดวงนี้ที่รับการอบรมในทางที่ถูกและที่ผิดนี่ให้จำไว้นะเพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาจึงเป็นหลักที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดพุทธศาสนาของเรา เรียกว่าเส้นชีวิตเส้นของหัวใจคือความรู้นี่หนึ่งเส้นชีวิตคือการดําเนินการทำอาหารเลี้ยงขี้ทุกแง่ทุกมุมนั้นถ้าดําเนินตามหลักพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้จะราบรื่นดีงามที่สุดไม่มีความกระทบกระเทือนไม่มีความเกิอดร้อนเสียอายแก่กันและกันจะเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดน จะมีความราบรื่นดียงามทั้งนั้นนี่เนี่เส้นชีวิตเส้นของจิตใจคือมีความรู้สึกหัวใจเจ้าของมีความรักความชอบในหัวใจเจ้าของชั้นใดหัวใจของคนอื่นเขาก็รักชอบในหัวใจของเขาเขาสมวนหัวใจของเขาเช่นเดียวกันหัวใจของเรามีคุณค่าขนาดไหนหัวใจของเขาก็มีคุณค่าขนาดเดียวกันในขณะนี้เรารักใจเราขนาดไหน ในระยะต่อไปเรากะรักหัวใจดวงนี้ขนาดเดียวกันแล้วหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับใจดวงนี้แต่ใจดวงนี้จะได้รับการอบรมศึกษาในทางใดที่จะให้ความสมบวังหรือความผิดหังนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเอาไว้ตั้งแต่บัดนี้หากเราได้รับการอบรมศึกษาในทางที่ถูกที่ดีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญมากจิตใจเราจะดีชุ่มชื่นเบิกบานมองดูคำหวังอะไรก็ อยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอือ้อมชั่วเอือเอ้อมข้าจิตใจเราได้ดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่ให้ความหวังอย่างถูกต้องดีงาม น, นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นความหวังทั้งหมดจะอยู่ที่ดวงใจใจจะเป็นผู้มุ่งหวังหวังอะไรความชั่วไม่เอาความความทุกข์ไม่หวังความโศกเศร้าเงาหงอยไม่หวังความทุกข์ความจนไม่หวังขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความทรมานแล้วใจปัดหมดไม่หวัง แต่ทําไมโลกเหล่านี้จึงกู้คร่าไปด้วยสิ่งที่ไม่หวังเหล่านี้อยู่ตลอดทั้งท่านทั้งเราทั้งใกล้ทั้งกายที่ไหนไหนอันนี้เพราะใจไม่ได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีหนึ่งแม้ได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแต่ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามนั้น 1. เพราะอํานาจแห่งฝ่ายต่ําซึ่งมันแทรกสิงหรือนหน่นอยู่ภายในใจิตใจนั้นมีกําลังมากกว่าฝ่ายดี จึงบังคับฝ่ายดีให้เสียไปหมดให้ล้มละลายกลายเป็นฝ่ายชั่วขึ้นมาครองหัวใจเราเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องความเสียหายเต็มอยู่ในกายวาจาความประพฤติของสัตว์โลกโดยทั่วไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เผาผลาญโลกให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สมบัติทั้งๆ ท, ท, ที่เจ้าของหวังด้วยกันทุกคนเพราะเราจงพยายามสร้างความหวังเอาไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติดี แนวทางที่ถูกต้องมีงามนี้ไม่มีแนวทางใดจะเกินแนวทางพุทธศาสนาแนวทางแห่งธรรมนี่เป็นแนวทางที่ให้ความหวังทั้งปัจจุบันในในบัด น, นี้และอนาคตในวันหน้าพรุ่งนี้มรืนเดือนหน้าชาติหน้าจะไม่ผิดหวังข้าเราได้ดําเนินตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่เพราะธรรมนี้ไม่มีคําว่าล้าสมัยยิ่งวันนี้ทันสมัยวันพรุ่งนี้ ศาสนาล่าสมัยวันบูรินไปล่าสมัยชาตินี้ศาสนาทันสมัยทําคนให้ทันสมัยชาติหน้าทําคนให้ล่ำจมไม่เคยมีหลักคุณศาสนาเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาถูกต้องดีงามอยู่ตลอดไปใครประพฤติปฏิบัติตามได้มากน้อยอย่างไรก็เป็นผลรับอันดีงามแก่ตนสมบังิไปโดยลำดับลาดาเพราะฉะนั้นหลักศาสนาจึงเป็นธรรมชาติที่ไว้ใจหรือมอบเป็นมอบตายมอบชีวิต จ, จิตใจ ได้โดยทั่วกันนี่หมายถึงพุทธศาสนาแล้วคำว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงน์นั้นเป็นอย่างไรเรื่องจริงๆแล้วเป็นคืออะไรคำว่าพุทธะนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ได้ตรัสรู้ทมขึ้นมาสิ่งที่มัวหมองปิดบังที่มืดตื้อยู่ในหัวใจ อยู่ในพระไทยนั่นเรียกว่าสับราชาสัพเรียกว่าพระไทยภาษาของเราเรียกว่าใจที่มันมืดตื้ออยู่ภายในนั้นถูกธรรมธรรมะซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดหรือแป๊บเครื่องซักฟอกซักฟอกออกจากใจให้ขาสะอาดปราศจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหลือตั้งแต่เนื้อของจิตที่บริสุทธิ์นลวนนั่นท่านเรียกว่าพุท ธ, ธ ท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพุทโธนี่และทำคำต่างสอนอันเป็นเครื่องซักฟอกมวลทิ้งทั้งหลายที่มันมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจนั้นเมื่อซักฟอกสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นออกไปแล้วถ้าทำกับความรู้คือพุทโธนั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันกลายเป็นอของประเสริฐอันที่สองขึ้นมาเรียกว่าธรรมะ น, น่ะธรรมะคือผล แห่งความสะอาดแห่งความเลิศความประเสริฐที่เกิดขึ้นมาจากการแช่ล้างสิ่งชงกระปกุกหมดจากจิตใจแล้วใจวกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันว่าพุโทโธบ้างธทมโมบ้างสังโฆได้แก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์พระองค์ไม่ใช่เพียงพระองค์เดียวเราเท่านี้นะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้สอนโลกขึ้นมานั้นต้องมีสาวกติดตามมา เป็นจำนวนล้านล้านไม่ใช่น้อยๆคำว่าสาวกสาวกท่า น, นท่านพูดเป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจบางคนสาวกแปลออกจากภาษาบาลีไปสาวกกะแปลว่าผู้ฟังก่อนที่จะรู้จะเห็นคุณงามความดีทั้งหลายภายในจิตใจของตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิเศษขึ้นมานั้น ต้องได้อาศัยได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดาของตนของตนแต่รับพระองค์ก่อนแล้วประพฤติปฏิบัติตามดังสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าของเราทุกสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราปรากฏชื่อดินนามดังหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวอาหลวงปู่อาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่พรมอำเภอหนองหานหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้เป็นต้นนะ เท่าที่ควรออกนามมาได้นี่หากเป็นขัง้งพุ้ตการท่านให้ชื่อกันท่านจะให้ชื่อท่านท่านที่กล่าวมาเหล่านี้ว่าเป็นพระทหารด้วยกันทั้งนั้ น, นเพราะเห็นได้อะไรเป็นเครื่องพิสูจน์คือความรู้ความเห็นความประพฤติของท่านเป็นเครื่องกระจายออกสู่กันฟังระหว่างพระสงฆ์ทั้งหลายหรือระหว่างลูกศิษย์กยับอาจารย์ได้ยินได้ฟังจากกันในข้อพัะปฏิบัติการชำระาศาสัง จ, จิตใจได้มากเพราะอย่างไร จนกระทั่งถึงชำระจิตใจให้ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทธโธตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนั่นแหลคือพระอรหันต์นี่แหละสังโฆคือผู้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและจากครูจากอาจารย์โดยลําดับลําดามาแล้วมาฟิตตัวเองระพฤ่อปฏิบัติตัวเองจนสําเร็จผลขึ้นมาเป็นที่พอใจตั้งแต่เบื้องต้นเรียก ว, ว่าเป็นสําเร็จเป็นพระโสดาสําเร็จเป็นพระสกิทาคานี่เริ่มขึ้นขั้นอริยบุคคลแล้วคืออริยบุคคลขั้นที่หนึ่ง ได้แก่พระโสดาขั้นที่สองได้แก่พระสติสกิทาคาขั้นที่สามได้แก่พระอนาคาขั้นที่สี่สูงสุดเรียกได้แก่พระระหัตตะบุคนนี่ท่านเริ่มลําดับลําดาไปจนกระทั่งถึงขั้นพระระหัตตะบุคลเหล่านี้เรียกว่าสาวกคือผู้สาวกของพระพุทธเจ้าเช่นสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าสาวกของพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยท่านนี่เป็นสันงฆ僧นักฉามีของพวกเรา เป็นผู้เผชิญจริงรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่ทั้งความสศร้าหมองทั้งความบื่สุดได้เห็นได้รู้ได้ละได้ละได้ถอดได้ถอ น, ถอนจนถึงขั้นบริสุดด้วยกันจึงเป็นสังฆังสนังชามิเป็นานะอันที่สามพวกเราขึ้นมาอันนี้ท่านแยกตามประเภทนะเวลาธาตุขันเราก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างเราเร า, เราท่านท่าน พระพุทธเจ้าพระพร ะ, พระธรรมพระสงฆ์ท่านยังมีชีวิตอยู่นะก็ต้องแยกเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเราผู้นับถือพุทศาสนาเราก็แยกท่านแบบขั้นที่หนึ่งกาบขั้งที่หนึ่งพุทธเจ้ากาบขั้งที่สองากาบพระธรรมกาบขั้นที่สามกาบพระสงฆ์นี่นี่ท่านกล่าวว่าพุทโทธธรรมโมสร้างโขจาติน า, นานาหุนตามจิวัตถุโต คือแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งก็ตามนี้ท่านกล่าวไว้ตามอาการที่สมมุติยังมีอยู่นี้เท่านั้นทาน่านบอกแต่หลักความจริงแล้วอัญญามัญญาวิโยกาวะเอกีภูตมัมปะนะสะโตในหลักธรรมชาติแห่งคุณสมบัติแล้วเหมือนกันทาน่านบอกพุทธโธก็ดีธรรมโงก็ดีสังโฆก็ดีรวมอยู่ในใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวธรรมก็รวมอยู่ในใจบริสุทธิ์สังโฆผู้บริสุทธิ์ก็รวมอยู่ในใจดวงบริสุทธิ์อันเดียวกันเท่านั้นท่านบอก นี่สําเอกีภูตัมปนาสโตเป็นธรรมชาติอันเดียวกันด้วยคุณภาพคุณสมบัติไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่อกันนี่ทันแยกออกเป็นประเภทประเภทอย่างนั้นเพราะงั้นการที่เรากราบไหว้เพื่อจะสอนลูกสอนหลานเราให้ได้เข้าอกเข้าใจจึงกราบกราบขั้งที่หนึ่งให้ได้รู้ถึงพุโทโธกราบขั้งที่สองกราบธรรมโมกราบที่ขั้งที่สามกราบสังโฆอย่างนี้นี่นี่เรียกว่าเป็นอาการที่แสดงออกมาเป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะในหลักธรรมชาติแล้วเป็นธรรมทั้งแท่ง ทำทั <boundaries> el, ako, ้งดวงอยู่ที่จิตดวงเดียวจะเรียกว่าจิตก็ไม่ถนัดจะจะเรียกว่าทำที่อย่างเดียวก็ไม่ถนัดเรียกพระสง์อย่างเดียวก็ไม่ถนัดหลักธรรมชาตินี่เป็นองค์แห่งคุณธรรมอันประเสริฐเท่านั้นถนัดอีกเรียกว่าเป็นองค์แห่งคุณธรรมอันประเสริฐรวมกันอยู่นี่แหละเรียกว่าทำที่เรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบอยู่ทุกวันทุกวันนีกราบหลักธรรมชาติอันนี้แหละธรรมชาติอันนี้ไม่ได้สูญไม่ได้หายไปไหน ศูนย์หรือถลายลงไปมีแต่าธาตุขันเช่นธาตุขันของเราเนี่แก่กําค่าแชร์ลงไปก็ตายเมื่อตายแล้วธาตุขันอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ขันนี้ถลายลงไปไปเป็นนินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟส่วนธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติวิมุตติผลพ้นไม่เคยมีปราชาติที่ไหนเลยมันคอยพี่น้องถลายจำเอาไว้ว่ากาพุทโธธโมสังโฆมีคุณค่ามีความสําคัญอย่างไรอย่าได้ลืมลักใหญ่ที่สอนวันนี้ว่า สาสนาธรรมนั่นคือเป็นการเครื่องดำเนินของชีวิตจิตใจของเราให้ดำเนินตามหลักธรรมนี่และจิตของเราให้ฝากเป็นฝากตายกับสาสนาธรรมนี่แหละเราจะเป็นผู้สมหวังนั่งยี่ไหนก็สมหวังนอนอยู่ก็สมหวังเป็นอยู่ก็สมหวังตายก็สมหวังเพราะเราสร้างแต่ความสมหวังไว้เราไม่ได้สร้างความผิดหวังไว้ในตัวของเราพอที่จะให้ผิดหวังผิดหวังหมดหวังหมดหวังเลื่อยไป คนเราเกิดมาไม่ว่าเด็กมว่าผู้ใหญ่เท่าแต่ชราขนาดไหนชาติชั้นบรรดาใดก็ตามไม่มีใครต้องการความผิดหวังต้องการความสมหวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างความสมหวังคือคนคุณงามความดีนี้ไว้สําหรับตนความสมหวังจะเป็นของเราทุกๆท่านเอาละการแสดงก็เห็นว่าทําก็เห็นว่าสมควรพอเหมาะพอสมกับตาหลายๆดวงหูหลายๆหูใจหลายดว ง, าาดวงมาจ่อล่องเตาเดียวล่องเตาเดีย ว, ว, ยวกระจายให้ฟังหมดแล้วในะวันนี้ละเอาละพอพอดีกันแล้ว ได้ ใ, ใจพรียะหาวาริวาหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวะเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกะ ป, ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตูสังกะปาจานโธปนาระสโสยถธามณิโชติ อระตุยธถาสัพพิตโยวิวาชันตุสพพ โ, โรคโควินัสตุมาเตภาวะตมันตรยโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธนศีริสันนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอาลางังที่กล่าวครูอาจารย์มาสี่ห้าท่านเหล่านี้ เราไม่ได้กล่าวแบบเป่าๆนะเรากล่วกาวแบบมีหลักฐานเป็นเครื่องจริงยันแต่หลักฐานของธรรมนี่ไม่ได้เหมือนโลกพอจะไปอวดโลกเขาเห็นครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่กล่าวมาเนี่ยอัฐิของท่านที่เผาแล้วเวลานี้กลายพระธาตุไปทั้งมากมายแล้วน ะ, น, ะนี่แหละคือพยานเกจที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะสามารถเป็นอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุได้นอกนั้นเป็นไปไมาไดในหลักธรรมสอนไว้ท่าน อัดเสียงได้กายประทานแล้วนั่นแหละคือเครื่องยืนยันของจิตที่บริสุทธิ์โดยแท้ย่าหลวงปู่มั่นเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาอยู่กับท่านมานานเท่าไรองค์ใดที่มาพูดเรื่องของท่านไม่เคยว่าพูท่านอาจารย์มั่นเป็นพระธรรมดาพูดแต่วเป็นพระเรียกบุคคลพระบุคคลขั้นพระละหันเท่านั้นพูดยันทนี่เวลาพท่านมรณภาพไปแล้วอัดเิีท่านประกาศองค์ท่านออกมากลายเป็นปาะทัหมดนั่นเห็นไหมอย่างนั้นนี่คืออย่างที่กล่าวมาเหล่านี้ใคร ไปเจ็บป็นเล็กแต่น้อยเอามาเดี๋ยวนี้กายพระทานหมดแล้วเนี่ยแม้แต่เดี๋ยวท่านถึงห์ทอทงฟังดินี่ท่านสิงห์ทองวัดจอวัดทุมพนนี่นีสายก็โลกก็เล็กโลกก็เล็กเห็นไหนมนั่นแหละกิจยาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ใจไม่ได้ก็โลกก็เล็กเหมซี่ใจบริสุทธิ์นี่ก็ลายพระทานแล้วนานี่ที่ตกระบินตาย น, นเห็นไหมนี่กลายมาทานมาหลายปีแล้วอยู่ได้เพียงปีเดียวเท่านั้นพอปีที่สองม า, าก็กลายพระทานเรียบร้อยแล้ว อ, องค์ไหนองค์ไหนที่กล่าวมาเหล่านี้เมันกัน ใครก็จะจะว่าปัสสาว่าขโมยหรือมันกันยังไงกันน้ำใช่ไหมหัดอุบอิบอเอากันจนได้นั่นแหละผัสกูอาจารย์ต่ละองละองอธิบูรอาจารย์แต่ละององอุบีอุบเอาจนหน้นั่นแหละอันที่ได้มาอุบอิบนั่นหละมันกายมันประสานีเห็นเข้าใจไหมไม่ใช่ลักดอกไม่เอาไม่ใช่รักอุบเอาไปลับไปนี่ย่าเดรนไลน์ที่ไปย่าเดรนไลน์ท Thank <laughs> you.